เมื่อสู่ทะเลสาบแล้วมันจะลึกและนิ่งในช่วงที่มันอยู่ในคลองน้ําไหลอยู่มันก็เคลื่อนไหลตลอดเวลาเมื่อลราสู่ทะเลสาบสู่มหาสมุทรแล้วมันก็จะนิ่งสงบเมื่อกระแสะของความรู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆตามร่างกายของเราไหลเข้าสู่จิตก็จะจิตที่ทําจิตทําให้จิตของเรานิ่งสงบไปเรื่อยๆลึกนิ่งสงบเพราะฉะนั้นเราเฝ้าดูไป ตามดูกระแสของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ไหลลงสู่ใจใจเหมือนมหาสมุทรที่รองรับกระแสความรู้เหล่านี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้สังเกตเราอยู่กับมันไปวันๆแต่ไม่เคยรู้จักมันให้พิจารณาเห็นว่าความรู้สึกหนักรู้สึกหยาบที่เรากดเน้นลงไปว่ายิ่งนานไปความตึงของเท้าของ แข้งขามากขึ้นเพราะอะไรเพราะการสั่งสมมุงความหนักเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพราะในช่วงที่เรายกเราไม่ได้สังเกตว่าความหนักมันผ่อนคลายหมดไหมความหนักยังผ่อนคลายยังไม่หมดเราเหยียบซ้าลงไปความหนักมันก็เลยสั่งสมทีละนิดทีเราเดินนานเข้าความหนักหน่วงของ น้ำหนักขาก็เพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเราเหยียบกับเรายกไม่สมดุลกันเราเหยียบนานแต่เราเยกไวเหยียบลงไปไวน้ำหนักยังออกไม่หมดเราเหยียบซ้ำลงไปน้ำหนักที่ทดมันก็เหลือครั้งละสิบสมมุติหนึ่งรอเนี่ยมันออกไปแค่90้สมันเหลือแค่สิบทุกครั้งมันเหลือเพิ่มเข้าไปอีกทีได้สิบได้สิบ น้ำหนักก็เลยเพิ่มขึ้นตามลำดับวิธีแก้ก็คือเวลาในช่วงเรายกการเหยียบก็จะการยกต้องช่วงนานนิดหนึ่งเท่ากับการเหยียบเราเหยียบหนึ่งวิหรือสองวิขนาดที่เรายกก้ไม่ได้สองวิเท่ากันเพื่อจะให้น้าหนักมันคลายให้หมดเพื่อจะได้ไม่เก็บสั่งสมน้าหนักนั้นไว้ต้องสังเกตให้ดีว่าการที่เรา อยู่มันความเคยชินนี่ยมันก็ทำให้เราไม่เห็นว่าช่วงที่เหยียบลงไปและช่วงที่ยกขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันใช้เวลาเท่ากันเนี่ยเราเดินนานเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกปวดขาเพราะการหนักการเบามันจะสมดุลกันมันออกไปแล้วมันเข้ามาเหมือนเราเทน้ำหนึ่งขวดแล้วใส่เข้าไปหนึ่งขวดมันก็เท่าเดิม แต่เทน้าเข้าไปหนึ่งขวดแต่เทออกมาแค่ครึ่งขวดจึงเหลืออีกครึ่งขวดครึ่งขวดที่เหลืออยู่มันก็ทำให้หนักเราเทน้าเข้าไปเทระเทออกหมดมันก็เท่ากับขวดเปล่าขาเราเหมือนกันเราเหยียบเข้าไปเหมือนเทน้าเข้าไปเวลาเรายกเหมือนเราเทน้าออกเราเทน้าบอกยังไม่ทันหมดใส่เข้าไปอีกน้าก็เหลือในขวดเรื่อยๆมันก็หนักอันนี้คือทฤษฎีของ การตามรู้ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าถ้าเราใช้เวลาทั้งการเหยียบลงไปและเวลาที่ยกขึ้นมาเท่าๆกันเราจะไม่หนักขาเพราะมันได้ถ่ายเทนท้ําหนักออกหมดความหนักก็ไม่สั่สมนะขาเราก็เบาเะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เรามองข้ามมาตลอดเราไม่เคยใส่ใจที่จะรู้ชัดเจนขนาดนั้นเขาเรียกว่าอาวิชชา พอเราใส่ใจรู้ชัดเราเห็นรายละเอียดชัดวิชามันก็เกิดขึ้นความเบาสบายก็ปรากฏนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านผู้รู้ได้รู้ได้เห็นมาแล้วในอย่างอื่นก็เหมือนกันเราคิดเท่าไหร่เรารู้เท่านั้นเรื่องก็จบแต่นี่เราคิดมากแต่เราลู้น้อยความคิดก็สั่งสมเหลืออยู่ในใจกลายเป็นความหนักใจจะหลงไปเท่าไหร่เรารู้เท่านั้น มันก็เหมือนเทน้ำเข้าไปแล้วก็เทออกหมดขวดก็จะเบาเหมือนขาเราเหมือนกันเหมือนใจเราก็ทฤษฎีเดียวกันทำนองเดียวกันเราคิดเท่าไหร่ก็ต้องามรู้เท่านั้นใจเราก็ว่างเหมือนขวดเปล่าแต่เราคิดร้อยเรื่องแต่มันออกไปแค่ห้าสิบเรื่องมันค้างอยู่ในอีกหสบเรื่องแสดงว่ามันออกไม่หมดเราก็หนักด้วยความคิดนี่คือทฤษฎีเดียวกัน ในการสังเกตนี่เองพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นหนักให้เราเท่าไหร่เบาเท่านั้นเจ็บเท่าไหร่ก็หายเท่านั้นทุกข์ก็จึงไม่เหลือไม่เหลือเศษด้วยเรียกว่านิโรธอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนึกคิดเอาเท่านั้นเราต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยว่าระหว่างเราเหยียบน้ำหนักมากเรายก น้ำหนักนั้นก็หายไปแต่ถ้าเราเรียบเหยียบโดยที่น้ำหนักหาไม่หมดน้ำหนักก็ยังเหลืออยู่เราเหยียบซ้ําลงไปมันก็กลายเป็นความหนักและความปวดเราพิสูจน์ดูให้ชัดเจนว่าจะเห็นความจริงตรงนี้ไหมการกระเพื่มต่อบรรยากาศข้างนอกจะทําให้เราหลงลืมได้ง่ายพอจิตเราสูงออกนิดหนึ่งมันก็จะขาดความใส่ใจต่อความสมดุลต่อการสังเกตการฝึกจิต นั้นเราจะต้องสังเกตเหตุปัจจัยแม่เล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราหลงลืมได้ง่ายตันนี้การเดินจงกรมเราศึกษาเรื่องการบาลานซ์ระหว่างหนักกับเบาให้สมดุลกันถ้าหนักมากกว่าเบาน้ำหนักก็สั่งสมถ้าเบามากกว่าหนักความเบาก็สั่งสมการปฏิบัติแบบเครื่องวัยนี่เราปฏิบัติเพื่อสังเกตสังเก ต, ส, เกตสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานะ นับตั้งแต่การหยุดการเคลื่อนรู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกรู้สึกถึงการหยุดการเคลื่อนต่อเนื่องกันไปถ้ามีเหตุปัจจัยให้กระเพื่อมนิดนึ่งเราก็จะลืมสังเกตนั่นในช่วงภาวนาเราจำเป็นต้องสังเกตทั่วๆร่างกายความรู้สึกต่างๆ เพื่อได้เก็บรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็นั่งประจําที่ mm hmm. เพื่อที่จะได้สํารวจตรวจสอบบทเรียนในวันนี้ที่เราทํามาแต่เช้าว่าจุดไหนที่ยังจับประเด็นไม่ได้แล้วให้หลักเอาไว้ว่าเราจะดูแค่ของสองอย่างที่ออกมาเป็นเขาเรียกว่าออกมาเป็นเฟืองของความรู้สึกตัวเล็กๆเล็กๆ เ, เ, เฟืองใหญ่เฟืองหลัก ที่มันหมุนด้วยความเร็วทีสูงมากขยายเป็นเฟืองออกมาตัวใหญ่ที่สุดคือกายในกายก็มีเฟืองตัวเล็กๆอีกหลายตัวตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งแวดล้อมเข้ามากระทบก็หมุนหมุนก็เกิดเป็นพลังส่งต่อกันเป็นพลังชีวิตตาเห็นก็หมุนไปสามจังหวะพอใจไม่พอใจเฉ ย, เฉย พอใจมากก็หมุนแรงไม่พอใจมากก็หมุนเร็วเฉยๆมากก็หมุนมันก็จะเห็นว่าพลังของความหมุนของท่าสีดินน้ำรูปไฟทำงานตลอดะเวลาแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะออกมาเป็นสามความรู้สึกความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นกลางถ้าหมุนไวมากในฝ่ายสุกก็สุกมากถ้าหมุนไวมากในฝ่ายทุกก็ทุกมาก หมุนไวมากในความเป็นกลางมันก็สงบมากการจะหมุนอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราก็ตกเป็นธาตุของกระแสและกระแสแห่งวัฏะสงสารหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้จบ <c oughs> ตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกเรียกวัฏะวนวน เวียนไหวเาบกระแสะแห่งวัตฏะเวียนไหตายเกิดแต่ความจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันเหตุเป็นยังไงผลเมลแล้วไม่เคยมานั่งสารวจตรวจสอบกันเป็นเรื่องเป็นราวการมาภาวนาคือมาตรวจสอบความจริงของชีวิตนะที่มันเป็นอยู่มีอยู่เพราะอะไรทำไมมันจึงสุขทำไมมันจึงทุกข์ทำไมมันจึงทั้งสุขทั้งทุกข์และบางครั้งทาไมจึงไม่สุขไม่ทุกข์ มนะสิ่งเหล่านี้มันปรากฏที่มีเป็นจริงอยู่ในตัวของเราทุกวันแต่เราก็ไม่เคยไปใส่ใจอะไรกับมันเรียว่าการไม่ใส่ใจนี่เองเรียกว่าวิชาไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่สังเกตไม่รู้ที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่กับมันไปเกิดจนตายแล้วก็เกิดมาใหม่ก็เป็นอย่างนั้นอีก หมุนวนรับสุขรับทุกข์รับหลงรับเพลินไปดูแล้วนี่ชีวิตของเรามันน่าเวียนหัวกับสิ่งเหล่านี้ที่เราเข้าใจมันไม่ได้นะแต่เมื่อเรามาภาวนาเรามาตั้งใจดูตั้งใจสังเกตสิ่งนี้อย่างจริงจังด้วยการชาร์จแบตเบตอรี่แห่งความรู้ของเราตลอดเวลาเพราะมันใช้มากยิ่งใช้มากก็ยิ่งชาร์ตบ่อย นั้นการตามความรู้สึกก็ ค, คือชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่ให้ให้ตัวรู้ได้ทำงานได้เห็นลึกเข้าไปเหมือนแสงสว่างแสงเลเซอร์ที่มีความแสงสว่างสูงส่องเข้าไปลึกส่องเข้าไปไกลเช่นเดียวกันพลังแห่งความรู้สึกของเราที่มันพัฒนาจากสติ สัญชาตญาณธรรมดาที่รู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวธรรมดามาเปลี่ยนเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวที่ชัดเจนขึ้นความรู้เนื้อรู้ตัวที่กว้างขวางขึ้นความรู้เนื้อรู้ตัวที่พัวร้อมขึ้นมาเปลี่ยนเป็นความรู้ตัวที่มั่นคงขึ้นที่ลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันกระแสแห่งแข็งสว่างที่เราเห็นอยู่แสงสว่างธรรมดา แสงสว่างที่ <c oughs> สว่างขึ้นไปจนถึงระดับสปอร์ตไลท์เลเซอร์จนไปกระแสพลังแสงไกลจากพระอาทิตย์ส่งมาถึงเราเนะี่ยไม่รู้กี่แสนไมล์ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะมันก็ยังทะลุมาถึงเราได้แต่กระแสงความรู้แจ้งที่มันส่องสว่างอยู่ข้างในของเราเพราะโลก ตัวเราในกายเราในใจแล้วเนี่ยเป็นจักรวาลอันหนึ่งเป็นกาแล็กซีอันหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเราจะรู้โลกนี้ทั้งโลกทั้งจักรวาล น, นี้ทั้งจักรวาลเราก็กลับมารู้ที่กายที่ใจเรานี่เองเมื่อเรารู้แจง้งกายใจเราแล้วก็รู้แจ้งโลกเป็นโลกกวิทูพระพุทธเจ้าท่านเป็นโล ก, กวิทูเพราะท่านรู้แจ้งอันนี้นชัดเจนท่านเมื่อเช่ไปใจไปหเหาะเหินเดินอากาศไปดูทุกพบทุกจักรวาลไม่ใช่แต่ถ้าเข้มาเฝ้าดูกายดูใจเนี่ย ให้มลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไ ป, งไปจนทะลุหมดนี่ความอาศาจารยิการตต่สู้ของพุทธเจ้าเราครึ่งซึ่งก็เป็นเหมือนท่านท่านก็เป็นเหมือนเรามีท่าสี่ขันห้ามีอาการ3 2มเหมือนกันไม่ได้แตกต่างท่านก็ไม่ได้จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นผู้วิเศษมาจากไหนเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่สามารถรู้ได้เพราะนั้นมนุษย์ ธรรมดาอย่างท่านก็น่าจะรู้ได้เพียงแต่ต้องใช้มีความศรัทธาเหมือนกับท่านมีความเพียรเหมือนกับท่านมีสติสมนิปัญญาที่เราทําได้เหมือนอย่างท่านได้นะดังนั้นทุกคนก็รู้ส่วนจะรู้มากรู้น้อยรู้ลึกรู้ตื้นไม่เท่ากันแล้วแต่กําลังของศรัทธาและความเพียรนะะฉะนั้นในวันนี้บทเรียนของเรา ตามที่เราได้ดูจากของสองอย่างการเกิดเราสมมติว่ามันเป็นความทุกข์ความไม่สบายอึดอัดหนาวร้อนศากประสายการเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปแล้วก็ลูกใหม่เข้ามาอีกวนเวียนอยู่เราก็ดูมันดูมันสังเกตมันผ่านไปสังเกตมันผ่านไป การที่เราเป็นผู้เฝ้าสังเกตนั่นเองมันได้แปลเปลี่ยนจากพลังของความทุกขมาเป็นพลังของความรู้ยิ่งสังเกตก็ยิ่งรู้ยิ่งสังเกตก็ยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นก็ยิ่งสว่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของเราจึงไม่เป็นความทุกข์ที่สูญเปล่าเป็นความทุกข์ที่มีผลเปลี่ยนแปลงเป็นญาณเป็นวิปัสสนาญาณ ชั้นต่างๆขึ้นมาลักษณะนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจสังเกตไม่ได้ตั้งใจศึกษาไม่ได้ตั้งใจเฝ้าดูนะเราจะอะไรมาเปลี่ยนแปลงกําลังของทุกนี้ให้เป็นแสงสว่างทางปัญญาได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนน้ําฝนตกมันไหลใรงทะเล <c oughs> ปีแล้วปีเล่าศตวรรษแล้วศ ต, ตวตรรษเ่าเมื่อเกิดนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน การชนะระทานการสร้างเขื่อนขึ้นมากระแสน้ำถูกสกัดกั้นให้หยุดอยู่กับที่แล้วก็ถูกแปลให้กระแสน้ำเป็นพลังของไฟฟ้าขึ้นมาเกิดแสงสว่างและใช้ได้เป็นนานาประการของประโยชน์ต่างๆทงัทง้ทงดาววัตถุแสงพระอาทิตย์มันส่องอยู่นี่ไม่รู้กี่ล้านปีเมื่อนวิทยาศาสตร์ทาง โซลา่าเซลเกิดขึ้นก็ได้แปลงแสงพา้ทิตขึ้นมาเป็นแสงพลังไฟฟ้าลมที่พัดมาหลายศตวรรษเมื่อนักวิยาศาสตร์วิศวกรทางลมนะพลังพลังลมขึ้นไปสร้างกังหันลมขึ้นมาแปลงพลังลมให้เป็นแรงของไฟฟ้าได้ฐานหินที่มันจมอยู่ใต้ดินไม่รู้กี่ล้านปี นวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาเกิดขึ้นก็เอาฐานหินมาแปลงเป็นความร้อนเอาพลังน้ําเอาพลังร้อนมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้ดินน้ำรวมไฟสามารถเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้หมดแล้วดินน้ำรวมไฟในตัวเราทําไมจะเปลี่ยนไม่ได้มาอันเดียวกันแต่เรามีวิธีเปลี่ยนอย่างไรที่เป็นนมามธรรมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมภายนอก แต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สูงสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่เพียงแค่ที่จะเปลี่ยนพลังวัตถุ <c oughs> พลังวัตถุให้เป็นวัตถุเท่านั้น <c oughs> ยังเปลี่ยนพลังวัตถุให้เป็นนามธรรมได้ด้วย <c oughs> จากเปลี่ยนตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้ <c oughs> จากเปลี่ยนท่าสี่ให้เป็นขันห้าจากเปลี่ยนเป็นขันห้าให้มาเป็นตัวสติปัญญา ก็หลักการเดียวกันดัง น, น, นั้นถึงไม่อยากจะให้เราพลาดโอกาสในการศึกษาชีวิตในหลักของสถิติฐานแบบนี้ในมิตินี้ <c oughs> ถ้าเราเกิดมาครั้งหนึ่งก็อย่าไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่กับความอยากความโลภความโกรธความหลงแนะี่มันไม่คุ้มกันนะโลภโกรธหลงมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วนี่แล้วเมื่อไรมันจะจบสักทีจะโลภหลงไปถึงไหนอะ่ะ เราทุกมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วกับโรคกูดโรคกุดหลงนะเนราะวะนั้นเพียงพอแล้วนะชีวิตของเราที่จะใช้เป็นตกเป็นทาสกรบมันต่อไปน่าจะพอกันนะนํามาสแสวงหาทางใหม่ที่จะเปลี่ยนกาลังของโรคกูหลงให้เป็นกำลังของศีลกาลังของสมาธิกาลังของปัญญาที่พระศาสดาท่านตรัสเอาไว้เรียกว่าเปลี่ยนกฎ ไตรลักษ์มาเป็นกฎไตรสิขาจากอนิจจังทุกขังอนัตตา ม, มาเป็นศีลสมาธิปัญญาซึ่งมันก็ไม่ใช่หลักปรัชญาหรือหลักอาภิษปรัชญาอะไรที่มันจะเข้าใจไม่ได้นะแต่เป็นหลักของศสัจธรรมที่เข้าใจได้เพียงใจใส่ใจมันเวลาเรานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมมันก็เกิดได้เห็นตลอดเวลาเนี่ยแต่เราจะแยบคลายพอไหม ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันวันนี้ยังไม่พอพรุ่งนี้ก็ยังมีชั่วโมงนี้มันยังไม่เห็นชั่วโมงหน้ามันก็ยังทำไดนะ้วินาทีนี้มันยังไม่รู้วินาทีหน้ามันก็ยังมีให้เราทำได้อยู่ไม่สายแต่เรามีจักเจรใจฝักใฝ่มีศรัทธาที่จะทำมีความเพียรพยายามบักบันที่จะรู้มันต้องรู้ได้นะ เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้แล้วเนี่ยไม่มีผิดว่าเป็นสวาขาตธรรมเป็นสันทิติกะธรรมคือพิสูจน์ได้เห็นได้ด้วยตนเอง <c oughs> เป็นอาการริกาธรรมที่พิสูจน์ได้เสมอไม่ว่าการเวลาใดเป็นเอหิปสิกาธรรมพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอนเป็นโอปัยิกธรรมสามารถน้อมมาสู่กายสู่ใจได้ อย่างลงตัวเพราะะฉนั้นสิ่งนี้มันเป็นปัจจิตังที่ผู้ทำเท่านั้นจะเห็นผู้ไม่ทำไม่เห็นบอกก็ไม่ได้นี่คือกฎของสัจธรรมหกประการเป็นสวาครคธรรมที่วงตรัสไว้เราสวดทวนแต่เราก็ไม่เคยทราบซึ้งในความหมายที่แท้จริงของมันเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ไปอยู่ในความคิดอยู่ในประพิปัญญาทำเรื่องยาก ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทำเรื่องอแจ้งให้เป็นเรื่องมืดทำเรื่องใกล้ให้เป็นเรื่องไกลมันก็เลยยากสําหรับเราดัง น, นั้นเราเปลี่ยนใจใหม่กลับมาใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยในตัวเรากับพริบตาวันหนึ่งหลายแสนครั้งเราเคยรับรู้กับมันสักกี่ครั้งหายใจเข้าออกวันหนึ่งหลาย พันครั้งเรารับรู้กับมันจริงจริงจังสักกี่ครั้งาปากพูดขึ้นลงวันเรื่อยพันครั้งเราได้เอาใจใส่กับมันสักกี่ครั้งยกไม้ยกมือยกแข้งยกขาเหลียวซ้ายแลขวาสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราก็ไม่คยได้ใส่ใจกับมันแต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลัง <c oughs> ของมันนั้นยิ่งใหญ่ กลัมันจะทํางานได้แบบนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถผลิตกลไกตัวนี้ออกมาได้สมบูรณ์เหมือนกับธรรมชาติให้เรามาพเพราะฉะนั้นความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของมันจะต้องมีความหมายมหาศาลถ้าเราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจมันก็คือสิ่งไร้ค่าเหมือนไก่ได้ปลอยหรือเหมือนเด็กได้ คอมพิวเตอร์ช น, นิดดีแต่ไร้เดียงสานะไม่มี <c oughs> ประโยชน์อะไรสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเราเองเราได้ชีวิตอันมีค่านี้มาเนี่ยทำไมเราละเลยเราไม่ใส่ใจเรามัวไปโอดครวนทุกข์กับทุกเล็กเล็ ก, ล ก, ลกน้อยนไปโอดครวรกับความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยวิตกกงังวลไม่จบไม่สิน้นทำไมไม่มองผ่านมันไปบ้างนะกลับมาดู และตัวสัจธรรมที่ปรากฏทุกวันทุกวันเนี่ยอาบน้ํากินข้าวเข้ า, ขาห้องน้าหนักเบาเป็นสัจธรรมให้เราเห็นตลอดเวลาแต่เคยเอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆเห ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล่านี้บ้างหมเนี่ยสิ่งที่น่าคิดนะเราตายไปแล้วตายไปอีกก็ไม่เราไม่แน่ใจว่าเราตายไปครั้งนี้แล้วจะได้เกิดอีกมาเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาแล้วจะมาเจอคำสอนรพุทธเจ้าที่ มันทําให้เราเห็นความจริงอย่างนี้ไหมเนี่ยากนะเพราะฉะนั้นไงเราเกิดมาแล้วอย่าให้มันผ่านไปด้วยเปล่าๆพยายามเอาอะไรจากมันให้ได้เอาสิ่งที่มีค่าสูงสุดจะได้ทรัพย์สินเงินแทนเป็นเงินทองเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่คุ้มกันนะเพราะมันไม่รู้สิ่งนี้แต่พอ ร, รู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็ได้สมบัติทั้งหมดคืออริยสมบัติอริยทรัพย์ เพรนั้นการมาเข้าฤทิกของเราเที่ยวนี้มีความหมายจึงอยากจะปล่อยให้ทําเองนานๆไม่อยากจะรบกวนในช่วงท่ำกลางให้ทําลองดูว่าเรามีความเข้มแข็งแค่ไหนมีความตั้งใจแค่ไหนนะมีวิธีการที่จะดูตัวเองด้วยวิธีการใดบ้างไม่ใช่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องการเวลาเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องการได้การเสียเนี่ย คิดมานานแล้วจบมันบ้างนะเนาะคิดในเรื่องใหม่ๆบ้างเฝ้าดูในเรื่องใหม่ๆที่มันมีอยู่แล้วนี่นะเพราะนั้นในช่วงของวันนี้ก็มีความหมายตรงที่มันมีการกระทาที่ถูกต้องนะแต่การกระทาใดที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีผลเหมือนกันก็ผ่านไปเปล่าๆไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นทุกเวลานาทีเป็นเวลาที่แห่งคาพิสูจน์ ความจริงที่มีอยู่ให้มันถูกต้องให้มันเห็นชัดเรื่อยๆอยาเรียกว่าคโนโวมาอุปจาคาคโนโว ม, มาอุปจาคาแต่ละขณะย่าล่วงเลยท่านไปโดยเปล่าประโยชน์พุทธเจ้าท่านตัดคโนโว ม, มาอุปจาคาแต่ละขณะที่ล่วงไปอย่าให้มันเปล่าประโยชน์ให้มันมีอะไรติดขึ้นมาในจิตวิญญาณเราบ้างการรู้แต่ละขณะขณะดังนั้นเองใน กิจกรรมมันหนึ่งที่มาเห็นว่ายังละหลวมอยู่ที่ยังจัดการลำบากก็คือในช่วงของการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ว่าช่วงเช้าหรือช่วงเพลงถ้าหากว่าเราจัดข้างนอกเนี่ยเราจะให้มานั่งทานรวมกันในที่เดียวกันเพื่อจะได้เกิดการศึกษาร่วมกันรามาะระวังสังเกต ร, ร่วมกันได้พิจารณาร่วมกัน แต่พอเราเข้าไปในตัวอาหารที่นั่งกันเหมือนกับเรานั่งปาร์ตี้กันที่บ้านเนี่ยกรรมาฐานที่ตั้งใจประคับประคองมาทั้งวันมันหลุดหมดเพราะเรานั่งคุยกันจะเป็นไปได้ไหมตักแล้วมานั่งทานรวมกันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะทุกสนามที่ทํามาข้างนอกทํางั้นหมดแต่ถ้าไปนั่งรวมกันเป็นโต๊ะเนี่ยสามวันเจ็ดวันออกมาไม่ยอมมายอมให้ทําแค่สองวันแค่นนะั้นนอกจากนั้นต้องมานั่ง ตักแล้วไปนั่งทานขัาวทานมันตามสุมถุมพุ่มไม้มุมที่ไหนก็ได้เดยที่มอเ้องมานั่งรวมกันมาทำอย่างนั้นในสนามข้างนอกแต่นี้ไปนั่งปาร์ตี้กันบนโต๊ะจบเลยเพราะฉะนั้นทำไงช่วยกันคิดหน่อยทีออ่ถนนเจ้าค่ะถนนตรงทางเดินก็ตักแล้วก็ไปนั่งตรงฟุตปาท ตอนเช้ามันไม่ร้อนนะคะหรือไม่ก็ผ่ากันขึ้นมาในนี้ส่วนวันนี้น่ารังเกียจไหมไม่เป็นไรเจ้าค่ะน่าจะได้แต่ว่าพยายามโยคีต้องทานระวังอย่าให้หกนะคะอ๋อไม่มีเสร็จแล้วก็กลับลงไปทํากระบวนการเศษอาหารเหมือนเดิมเจ้าค่ะ<ร>ก็รพรุ่นี้ยกมาทานที่นี่นะเรามีกระบวนการเรียบร้อยแล้ ว, ลวไม่ต้องห่วงธรรมะบริการขเขาเลยจัดการเรียบร้อยให้หมายความว่าแต่ละคน ตัดเสร็จแล้วก็ในภาชนะมานั่งตรงนี้เรียบร้อยพบทุกคนแล้วก็ทานไปศึกษาไปแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็จะเปิดธรรมะของหลวงพ่อเดงพิจารณาอาหารของหลวงพ่อเทียนบ้างของหลวงพ่อให้ฟังไปเจรจาไปเคี่ยวไปทานอาหารในเวลาเดียวกันสองอย่างทั้งที่โภยชนาาหารและธรรมอาหารน่ะ เราจึงไม่ใช่เป็นเวลาทานอาหารนะเป็นเวลาศึกษาวิธ ok ีการทานอาหารเป็นการเพราะในสวดทุกเช้าเราพิกคู่นางศีค่าซาศิวาสมาปนาถึงพร้อมโดยศีขาและทําเป็นอาหารเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตแล้วสวดทุกเช้าแต่เราไม่เคยเข้าถึงมันเลยพิคคู่นางศีค่าซาศิวาสมานาใช่ไหมถึงพร้อมโดยศีขาและทําเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตคืออาหารคือ ทานด้วยสี่ขาและทำไม่ได้ทานอาหารทานด้วยทานด้วยการมีการศึกษาการทานด้วยที่มีทำนั้นคือเป็นเรื่องเครื่องเรื่องชีวิตมันถึงจะเป็นธรรมอาหารได้เปลี่ยนโภชนาอาหารเป็นธรรมอาหารคือมานั่งพิจารณาร่วมกันทานไปศึกษาไปเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ให้พิจารณาด้วยคุณตาเจ้าค่ะ<า>ได้เจ้าค่ะได้ได้เจ้า แล้วพรุ่งนี้ถ้าเป็นอาหารหนักเหมือนเดิมนี่ไม่ยอมช่วงเช้าขอเป็นข้าวต้มหรือสลัดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเยอะมากเดี๋ยวยาาเขาเดี๋ยวเขาจัดเจ้าค่ะจัดให้เร า, าต้องเตรียมแล้วเจ้าค่ะพอมันมีผลนะมันมีผลเพราะธาตุขันน่นเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราศึกษาอันที่เราศึกษาหนึ่งแล้วเวลาไปทานมันไม่สอดคล้องกับธาตุขันของเราเราก็ต้องมาต่อสู้กับวิบากต่อสู้กับผลวิบากของมันอึดอัดหนัก ง่วงเวลาเราทานแบบศึกษาแลยทํามันจะเบาสบายมีกําลังเบากายเบาใจมีกําล <ed> ังตกลงว่าช่วงเย็นวันนี้เราได้สรุปด้วยการเดินจงกรมแล้วก็ศึกษาสัจธรรมร่วมกันว่าเราทําเพื่ออะไรแล้วก็หวัง <Cand> ว่าการเลิกไปจากนี้ก็เราเข้าประคองจะให้หลุดตั้งใจอย่าคุยกันมาก แล้วก็ห้องน้ำยังไม่ว่างเราก็เอนั่งปฏิบัติรอไปเรื่อยๆถ้าหากว่าว่างแล้วก็ค่อยเข้าไปศึกษาเงียบๆเพราะนั้นในสนามวิธีการหลวงวอเทียนไอ้ข้อพิเศษของมันก็คือเราจะต้องทำในบรรยากาศที่ค่อนข้างกว้า ง, ข, างขวา ง, วางและเป็นธรรมชาติที่ทำมานะก็ได้ผลชัดเจนก็ขออนุโมทนากับพระพร้อมกัน